พระบัญญัติ612ก็ภิกษุใดมีบาทที่มีรอยซ่อมย่อนกว่าหแห่งขอบาทใหม่ใบอื่นต้องอาบาัดนิสักคิยาภาจิตตีภิกษุนั้นพึงสาบบาทใบนั้นในภิกษุบริษัทบาทใบสุดท้ายอันภิกษุบริษัทนั้นพึงมอบให้ภิกษุนั้นด้วยสั่งว่าภิกษุบาทนี้เป็นของเธอพึงใ ช, ช้จนกว่าจะแตกนี้เป็นการทำที่สมควรในเรื่องนั้นเรื่องพระชพปคีจบ